แนะนำบทอันนาซิอาตบทอันนาซิอาตเป็นบทมักกิยาะมีสี่สองค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อมาเลยกะผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมิญญอย่างแผ่วเบาและนุ่มนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลลอ์ บทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชรีกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยว่าดสภาพของพวกเขาไว้ในวันที่น่ากลัวของวันนั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงฟิรเอลผู้ละเมิดซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างหยิ่งยโสอลัลลอฮ์ทรงลงโทษเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้าตาย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 ด้วยพระนามของอลัลลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเ ส, า ส, า ส, าาสามอขอสาบาลด้วยมาลัยกะผู้จุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง ขอสาบานด้วยมารยาผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมารยาที่แหวกว่ายอยู่ในห่วงนภากาศแล้วพวกเขามารยาผู้รีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วพวกเขามารยาผู้บริหารกิจการวันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกนั้นทำให้สันสะเทือน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 แล้วเมื่อ น, นั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบโล่งเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรื อ, อาาขณะที่พระพกพิบาลของเขาทรงเรียกเขาที่หุบเขาดูว่าอันบริสุทธิ์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 และทรงทำให้แสงสว่างของมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นเรียบทรงทำให้มันออกมาจากแผ่นดินซึ่งน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้ มมัั่นนคทั้งหมดนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้าดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น เป็นวันที่มนุษย์จะได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และนรกนั้นจะถูกเปิดเผยแก่ที่มองมันส่วนพู้ที่ละเมิดฝ่าฝือนั้น และเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นรกคือที่พำนักของเขาและส่วนผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าของพระผู้อภิบาลของเขาและได้หักห้ามจิตใจจากกิเลสไฟต่ำและอินนัลเจเนต์เฮียมาอวะ นัน น, น, น้ أن ان พวกเขาจะถามเจ้าถึงวันอวสานคือวันเกียรมาว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น ها ها. ด้วยเหตุอนันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะยังพระผู้วิบาลของเจ้านั่นคือวันวาระสุดท้ายของมัน ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดกลัวต่อวันกิยมามะเท่านั้นวันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยมามะประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าเท่านั้น